ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวิรยะสังคะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมคแปลเรื่องที่ยี่สิบปฏิคหานะวินิชยะกถากะถาวินิจฉัยว่าด้วยการรับประเคน คำว่าการรับประเคีนขาธิญญะเป็นต้นได้แก่การรับประเคีนขาธิญญหรือโพธิญญของคนเคี้ยวของคนฉันอย่างใดอย่างหนึ่งที่พึงกลืนกินในเรื่องการรับประเคีนนี้มีวิธีฉัยดังต่อไปนี้การรับประเคีนมีองค์ห้าอย่างการรับประเคียนย่อมขึ้นด้วยองค์ห้าอย่างคือหนึ่งของพอบรุษมีกำลังปานกลางยกขึ้นได้ สองหัตถบาทปรากฏก็คือเขาเข้ามาอยู่ในหัตถบาตสามการน้อมถวายปรากฏก็คือเขาน้อมถวายเข้ามาแสดงอาการที่เป็นมิมยัดอันที่สี่เทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามเดรัานก็ตามถวายคือประเคนด้วยกายก็ดีด้วยของเนื่องด้วยกายก็ดีหรือว่าด้วยการโยนให้ก็ดีอันที่ห้า และีิสุรับประเคณของนั้นด้วยกายหรือว่าของเนื่องด้วยกายการรับประเคณย่อมขึ้นด้วยองค์ห้าด้วยประการชนีในเรื่องการรับประเคณ น, นี้พึงทราบหัตถบากด้วยสามารถแห่งพิสุที่ยืนหรือว่านั่งหรือว่านอนดังต่อไปนี้ประมาณสองศอกคืบสองศอกคืบก็เมตรยี่สิห้าเซน น, นะนะศอกหนึ่งก็ ห้าสิบเซนสองหนึ่งห้าสิบเซนสองสองก็เมตรหนึ่งคทกบหนึ่งก็ครึ่งศอกนะยี่สบ้าเซนก็ประมาณเมตรยี่สิบห้าถ้าพิกษุนั่งกำหนดตั้งแต่ริมสุดด้านหลังของอาสนะไปถ้ายืนก็กำหนดตั้งแต่ที่สุดซ่นเท้าไปถ้านอนก็กำหนดตั้งแต่ที่สุดด้านนอกแห่งสีข้างที่นอนไปด้วยที่สุดด้านในแห่งอวยวะที่ใกล้กว่า เว้นมือที่เหยียดออกของทายกผู้นั่งอยู่ก็าตามยืนอยู่ก็าตามนอนอยู่ก็าตามนี่ชื่อว่าหัตถบาสก็คือสองศอกคืบเนี่ยจากส่วนหลังของทิกตุผู้รับประเคนจนสร้างถึงส่วนหน้าของบุคคลคือทายกผู้ที่จะถวายนลยนะไม่ว่าจะเป็นการนั่งยืนนอนเนี่ยยกเว้นมือที่เหยียดออกอันนี้เรียกว่าหัตถบาส ก็ถ้าบรรดาผู้ให้และผู้รับประเพณฝ่ายหนึ่งอยู่บนอากาศฝ่ายหนึ่งอยู่บนพื้นพึ่งกําหนดประมาณหัตบาจากศรีรษะของผู้ยืนอยู่บนพื้นก็คือผู้ที่จะถวายนี่นะและทางริมด้านในริมด้านในแห่งอายุวะที่ใกล้กว่าของผู้ยืนอยู่บนอากาศยกเว้นมือที่เหยียดออกเพื่อให้หรือเพื่อรับเสียถ้าแม้ฝ่ายหนึ่งอยู่ในหลุม ก็คือในบอ น, นั้นน่ะอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ริมหลุมหรือฝ่ายหนึ่งอยู่บนต้นไม้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่บนพื้นดินก็พึงกําหนดประมาณหัตถบาศโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหละก็คือเอาส่วนที่ใกล้ที่สุดเนี่ยยกเว้นมือที่เหยียดออกนะส่วนที่ใกล้ที่สุดของผู้ถวายกับผู้รับพิสูจยืนอยู่ในหัตถบาศเช่นนั้นแม้ถ้านกถวายดอกไม้หรือว่าผลไม้ด้วยจ ง, งอยปากก็ดี หรือว่าช้างถวายดอกไม้หรือผลไม้ด้วยงวงก็ดีการประเคนย่อมใช้ได้ถ้าอยู่ในเหตุบาสนั้นประเคนนั้นใช้ได้แต่ถ้าที่สุดนั่งอยู่บนคอช้างสูงขนาด8ศอกครึ่งจะรับผลไม้ที่ช้างนั้นถวายด้วยงวงก็ควรของที่เขาถวายด้วยบรรดาสรีระวัยวะมีมือเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ชั้นที่สุดแม้ด้วยนิ้วเท้าก็เป็นอันว่าเขาให้ด้วยกายก็คือเจตวายด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่จะใช้หัวประเคนจะใช้เท้ามือประเคนได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าใช้เท้าประเคนนี่ก็ไม่ค่อยเขารบเท่าไหร่นอกจากว่าคนมือด้วยใช้เท้าหยิบของตามปกติใช้เท้าประเคนอันนี้ก็คงจะนุโรมได้แม้ในการรับประเคนก็ในนี้นั่นแล แท้จริงของที่ภิกษุรับด้วยสรีราวัญวะก็คือส่วนแห่งอวิญญาส่วนใดส่วนหนึ่งจัดว่ารับประเคณย์ด้วยกายเหมือนกันถ้าแม้เขาให้ของที่ต้องทำการนัดภิกษุอาพาธจะนัดเข้าทางช่องจมูกหรือรับเข้าทางปากได้ความจริงเพียงความใส่ใจเท่านั้นเป็นประมาณในการรับประเครย์นี้ ก็คือให้เขาถวายเข้าในปากเลยหรือว่าให้นัดทางจมูกเลยมันก็ลงไปในคอด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการประเคนการที่เขามาสัมผัสที่ปากก็ดีที่จมูกก็ดีก็ถือว่าเป็นการรับประเคนแล้วแนหะเพราะว่าเป็นอ ว, ยวิยะส่วนใดในสติระนี้ก็รับประเคนได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการรับประเคนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจการใส่ใจถ้าไม่ได้ตั้งใจในการรับประเคนก็ เ, เอามาวางใส่ไว้ในมือ ไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ถือว่าเป็นการรับประเคนไม่มีความตั้งใจของที่เขาให้ด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอุปกรณ์มีทับเพีเป็นต้นเป็นอันชื่อว่าเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายแม้ในการรับประเคนก็ในนี้เหมือนกันของที่พิสูตรรับด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เนื่องด้วยร่างกายมีบาทและผ่าเป็นต้นจัดว่ารับประเคนเนื่องด้วยกายเหมือนกัน ก็ขอที่เขาโยนถวายให้พ้นจากกายและจากของเนื่องด้วยกายแก่ปิกตุผู้อยู่ในหัตถบาตแม้ตกไปในกายหรือของเนื่องด้วยกายเป็นอันชื่อว่าเขาถวายด้วยประโยคที่โยนให้นี่ก็ได้เหป็นการโยนให้แต่ว่าต้องอยู่ในหัตถบาตถ้าอยู่ในหัตถบาตเนยโยนให้ก็ถือว่าเป็นการรับเข็นด้วยถ้ายกคนหนึ่งทูลภาชนะเข้าสวยและกลับข้าเป็นอันมากไว้บนศรีรษะ มายังสำนักของพิกตุพูดทั้งที่ยืนอยู่ว่านิมนท์ท่านรับเถิดการน้อมถวายยังไม่ปรากฏก่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรรับคือไม่มีอาการวิญญาณที่แสดงให้เห็นว่ามีการประเคนเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรรับนะแต่ถ้าเขาน้อมลงมาแม้เพียงเล็กน้อยพิกตุพึงเหยียดมือออกรับพาชนะอันล่างแม้โดยเอกเทศด้วยการรับเพียงเท่านี้ ภาชนะทั้งหมดเป็นอันรับประเคหแล้วตั้งแต่รับประเค น, นั้นไปจะยกลงหรือว่าเลื่อนออกแล้วหยิบเอาของที่ตนต้องการสมควรอยู่ส่วนในภาชนะเดียวกันมีกระบุงซึ่งมีข้าวสวยเป็นต้นไม่มีคําจะต้องกล่าวเลยเป็นอันว่าสมควรรับได้ั น, นี่ก็แสดงอาการน้อมถวายหน่อยนึงก็คือแสดงวินญญัสตอนก็เกิดตั้งไว้บนศรีรษะแล้วก็นิมนต์ท่านรับเธอะอันนี้ก็ชื่อว่า ยังไม่ควรจะรับประเคตเพราะว่าไม่มีอาการน้อมถวายหรือว่าไม่แสดงอาการวิญญาณที่ปรากฏแม้ถายกผู้หาพัฒนาหารไปถ้าน้อมหาบลงถวายสมควรอยู่ถ้าแม้มีไม้ไผ่ยาวสามสิบซอกก็ือสิบห้าเมตรเลยนะที่ปลายข้างหนึ่งผูกหม้อน้ําอ้อยแขวนไว้ที่ปลายข้างหนึ่งผูกหม้อเนยใสแขวนไว้คือก็หาบมาเนี่ย ถ้าพิกโตรับประเคหนำไม้ไผ่นั้นเป็นอันรับประเคของทั้งหมดเหมือนกันแต่ว่าหัตถบาตเนี่ยสองซอกคืบแต่ไม้ไผ่เนี่ยยาวสามสิบซอกซึ่งผูกหม้อเนยใสไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ผูกหม้อน้ำอ้อยไว้ข้างหนึ่งถ้าทายกเขาประเคไม้ไผ่ให้ตัวทายกต้องอยู่ในหัตถบาตถึงแม้ อ้น้ำอ้อยหือว่ามอเนใสายนั้นน่ะจะอยู่ยาวไปคนละสิบห้าศอกจากทายกคู่ประเคศเนี่ยแต่ว่าเมื่อเอาไม้ไผ่ประเคศมาแล้วอยู่ในหัตถบาตรําตัวของทายกอยู่ในหัตถบาตก็ชื่อว่าเป็นการรับประเคศเหมือนกันนะ mm. ถ้าทายกกล่าวว่านิมนต์ท่านรับน้ําอ้อยสดซึ่งกาลังไหลออกจากรางหีบอ้อยการน้อมเข้ามาถวายย่งไม่ปรากฏไม่มีการถวายเลยเพราะว่าน้ําอ้อยสดกําลังไหลออกจากหีบอ้อย ก็นิมนท่านอาบาดมารับอันนี้ไม่ควรรับนะเพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรจะรับแต่ถ้าเขาเอากาะดิ้งแล้วเอามือวักขึ้นถวายควรอยู่มือหรือว่าภาชนะตักขึ้นมาแล้วก็มาถวาย น, นี้สมควรแต่ถ้าให้ไปรับจากที่รางหีบอ้อยเลยอันนี้ไม่ควรบาดหลายใบเขาวางไว้บนเตียงก็ดีบนตังก็ดีบนเสื่อลำแพรก็ดีบนรางไม้ก็ดี วันแผ่นกระดานก็ดีทายกคือผู้ให้นั้นอยู่ในหัตถบารแห่งภิกษุผู้อยู่ในที่ใดของที่เขาให้ในบานเหล่านั้นอันภิกษุผู้อยู่ในที่นั้นแม้เอานิ้วแตะเตียงเป็นต้นด้วยความหมายว่ารับประเคนจะยืนอยู่ก็าตามนั่งอยู่ก็าตามนอนอยู่ก็าตามเป็นอันรับประเคนแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะใช้มือไปแตะที่วัตถุที่เขายกขึ้นถวายก็ได้นะ ถ้าเรายกอาหารขึ้นถาวายเราเอานิ้วเนี่ยไปแตะไว้ที่เตียงหรือว่าที่ตังที่เสื่อลำแพนอะไรก็ได้ทั้งนั้นเป็นของเนื่องวยกายก็รับประเคนขึ้นแต่ว่าทายก็ต้องอยู่ในทัฐบาทของพิจุถ้าแม้พิจุขึ้นนั่งเตียงเป็นต้นด้วยหมายใจว่ า, าเราจะรับประเค้นก็ควรเหมือนกันแต่เขาก็เอาอาหารเข้ามาแล้วก็ขึ้นไ ป, น, ไปนั่งอยู่บนเตียงแล้วเขาก็วางอาหารไว้บนเตียง แล้วอยู่ในเทือบ่าถึงเราด้วยแม้ไม่ยื่นมือออกรับทวารการที่เราขึ้นไปนั่งบนเตียงนั้นก็เป็นของเนื่องด้วยกายของเราเตียงก็ชื่อวเป็นของเนื่องด้วยกายของเราก็ชื่อว่าสมควรเหมือนกันแต่แ right. ตว่าถ้าไม่เอามือออกรับมีการดูจักอะไรอยู่ทายกก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยดีดังนั้นก็เอามือออกรับจะดีกว่าก็ถ้าแม้เขาวางบาททั้งหลายไว้บนแผ่นดินเอากระพุ้งกับกระพุ้งจดกันก็คือกระพุ่งของบาท ของที่เขาถวายในบาทใบที่พิจุนั่งเอานิ้วมือหรือว่าเข็มแตะไว้เท่านั้นเป็นอันรับประเคตแล้วท่านกล่าวไว้ในที่บางแห่งว่าการรับประเคตในบาทที่เขาตั้งไว้บนเสื่อลำแผนผืนใหญ่และเครื่องล่าหลังช้างเป็นต้นย่อมไม่ขึ้นการรับประเคตในบาทที่เขาตั้งไวบนเสื่อลำแนพนผืนใหญ่และเครื่องล่าหลังช้างก็คือ เอาบาตไปตั้งไว้ที่เสื่อลำแพนหรือว่าเครื่องราสหลังช้างเนี่ยซึ่งเป็นผืนใหญ่เลยแล้วก็ไปจับที่เสื่อลำแพนหรือว่าเครื่องราสหลังช้างผืนใหญ่นั้ น, นไม่ขึ้นคำนั้นคุงทราบว่าท่านกล่าวหมายเอาการที่ล่วงเลยหัตถบาทไปแต่เมื่อมีหัตถบาดในที่ใดที่หนึ่งก็ควรถ้าอยู่ในหัตถบาดก็ใช้ได้ทั้งนั้นถ้าทายกอยู่ในหัตถบาดแม้กระทั่ง เสื่อลำแพร่นั้นจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าเครื่องล่างหลังช้าจะใหญ่แค่ไหนก็ถ้าถทางยกอยู่ในหัตบานก็เอาของนั้นประเคนก็ขึ้นนะเอาบาดหลายๆใบเนี่ยมาชนกันชนกันแล้วก็พระวิตรุแค่เอานิ้วแตะที่บาดใบหนึ่งหรือว่าเข็มแตะไว้เนี่ยเขาเอาของถวายในบาดเหล่านั้นนี่คนที่ถวายอยู่ในหัตบานก็ชื่อว่าเป็นอันรับประเคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันพระมหานิกายทั้งหลาย ที่ก็ทํากันน่ะนะก็คือเอามาแตะที่จานที่ภาชนะต่างๆหรือว่าพิถุกกระจักภาชนะเดียวเนี่ยนะก็ยกมาแตะยกมาแตะอันนั้นก็ยังเป็นการใช้ได้อยู่เหมือนกันในที่นี้ก็แสดงไว้เป็นการใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรนะ่เพราะว่าพอแตะแตะไปพาย ก, ก็ไปอยู่นอกหัตถบาลแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้ามาอยู่ในหัตถบาลก็ยกขึ้นประเคียนทีลยใบที่ยจานก็ได้ภาชนะต่างๆที่ใสอาหารเนี่นะ ก็ดูว่าได้ประโยชน์หรือว่าถ้ายกก็จะได้บุญกุศลเยอะมากขึ้นพระวิเศษก็ไม่ต้องรังอะไรไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคารแขลงใจด้วยถ้าเป็นของอยู่กับที่เนี่ยอันนั้นจะประเขนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจะประเขนบนเครื่องราชใหญ่ๆอย่างนั้นก็ได้นอกจากของทึ่เกิดอยู่กับที่ก็คือพวกเตียงตัางที่มันตึงอยู่กับพื้นเลยอันนี้ไม่ควร ก็การรับประเค้นบนใบประทุมหรือบนใบทองกวาเป็นต้นซึ่งเกิดอยู่กับที่นั้นย่อมไม่ควรเพราะใบประทุมเป็นต้นนั้นไม่ถึงการนับว่าของเนื่องด้วยกายเพราะว่ามันยังติดอยู่กับต้นอยู่กับต้นบัวนะี่นะเหมือนอย่างว่าในของเกิดกับที่นั้นการรับประเค้นไม่ขึ้นฉันใดในเตียงที่ตั้งตรึงไว้ที่ต่อเป็นต้นในแผ่นกระดาน หรือในหินที่เป็นอสังหาริมทรัก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้การรับประเคนก็ไม่ขึ้นอันนี้หมายถึงวัตถุที่จะเอามารับประเคนถ้าเป็นของเคลื่อนที่ได้ถึงจะรับประเคนได้แต่ถ้าเป็นของที่ตรึงอยู่กับที่หรือว่าใบไม้ที่มันยังติดอยู่กับต้นอยู่ก็เอามารับประเคนไม่ขึ้นจึงอยู่เตียงที่ตั้งตรึงไว้ที่ต่อเป็นต้นแม้นั้นเป็นของควรสงเคราะห์เข้ากับของที่เกิดอยู่กับที่นั่นเอง แม้บนใบมะขามเป็นต้นซึ่งเป็นใบเล็กๆราดไว้บนพื้นดินการรับประเคีก็ไม่ขึ้นใช้ใบมะขามเล็กนี่มารับประเคีนี่ก็ไม่เหมาะไม่ควรนะเพราะว่าใบมะขามเป็นต้นเหล่านั้นไม่สามารถจะตั้งไว้ได้ด้วยดีเอามือรับประเคอย่จะดีกว่าแต่บนใบที่ใหญ่มีใบปทุมเป็นต้นการรับประเคีขึ้นหมายถึงว่าจะต้องหลุดจากต้นมาแล้วถ้าทายกคือผู้ให้ยืนเลยหัตถบาในที่นั้น เอากระบวยมีด้ามยาวตักถวายเกสุพึงบอกเขาว่าเข้ามาถวายใกล้ๆถ้ายืนเลยหัตถบาตไปเขาไม่ได้ยินคำพูดหรือไม่เ อ, อื้อเฟื้อเทลงในบาตรทีเดียวเกสุพึงรับประเคนใหม่อาบาตนั้นแล้วบอกอนุสสมบันด้วยอาบาตเนี้ถวายใหม่ทำไมอธิบายเขาหรือเขาไม่ได้ศึกษาพื้นในก็คงจะงงเหมือนกันให้อาบาตมาแล้วก็ามาถวายใหม่เพราะอะไร แต่ความจริงแล้วของในบาท น, นั้น่ะชื่อว่ายัางไม่ได้รับประเคนเหมือนกันเพราะว่าหัตถบาสไม่ปรากฏแม้ในบุคคลผู้ยืนอยู่หามโยนก้อนข้าวไปถวายก็ในนี้เหมือนกันถ้ายืนอยู่หามเกินหัตถบาสถ้าโยนก้อนข้าวลงมาก็ต้องเอาไปให้ประเคนใหม่ต้องไปประเคนใหม่แต่ถ้ายืนอยู่ในหัตถบาสแล้วก็คนมันเยอะก็เลยโยนใส่บาทลงมาเพราะว่าไม่ได้โอกาสอันนี้ก็ไม่ตื่นใจถ้าอยู่ในหัตถบาส ถ้าในบาด ท, ที่นําออกมาจากถุงบาดมีผงน้ําย้อมเมื่อมีน้ําพึงล้างเสียก่อนเมื่อไม่มีพึงเช็ดฝุ่นน้ําย้อมหรือรับประเคีนใหม่แล้วจึงเที่ยวไปบินตบาดอันนี้ก็เป็นวินยัยถ้าไม่ล้างบาดก่อนที่จะบินตบาดมีผงตกลงไปก็เป็นวินัยทุกกฎถ้าเมื่อเที่ยวไปบินตาบาดผงตกลงในบาดพึงรับประเคีนก่อนจึงรับพิกษาแต่เมื่อไม่รับประเคีนบาดแล้ว รับปิกสานั้นเป็นวินัยทุกกฎถ้าไม่ประเกคนบาทใหม่แล้วไปรับปิกสารเนี่ยเมื่อมีฝุ่นผงตกลงไปนี่เป็นอบัติทุกกฎแล้วถ้าเกิดฝุ่นผงนั้นเป็นวัตถุที่เห็นได้ด้วยตาไม่ได้รับประเคนก็ชื่อว่าเป็นอามิตในชั้นอามิตรที่เขาไม่ได้ประเคนให้นี่ก็ขึ้นอบัตพาจิตตีเลยนะถ้าเป็นวัตถุสิ่งของที่เรากลืนกินเข้าไปก็เป็นอับัตได้เพราะว่ายังไม่ได้รับประเคน แต่ไม่เป็นอาบัติแก่ผู้รับประเคียนธุลีที่ตกนั้นใหม่แล้วฉันเข้าไปก็คือถ้าไม่รับประเคีทนธุลีที่ตกลงในบาทและปิกษาเป็นวินัยทุกกฎหนึ่งตัวฉันเข้าไปก็เป็นปายิตตีนหนึ่งตัวเพราะว่าฉันอามิตรตัวชี่์ไม่ได้รับประเคียนผลผงที่มองเห็นในตานั้นก็ชอวเป็นอา mith เหมือนกันก็ถ้าเมื่อพิสูจน์กล่าวว่ารับประเคีนก่อนจึงถาวาย พวกเขาไม่ได้ยินคำพูดถือว่าไม่เอเื้อเฟือถวายที่ตุเลยทีเดียวไม่เป็นวิในทุกกฎก็คือเอื้อเฟือแล้วนะทีุ่รับประเคนใหม่แล้วพึงรับภิษาอื่นเถิดถ้าลมแรงพัดธุลีให้ลอยไปตกจากที่นั้นๆที่สูไม่อาจรับภิษาได้จะผูกใจด้วยจิตบริจุดว่าเราจะให้แก่นสุส บ, บันคควรอยู่สมัยก่อนอาจจะไม่มี้าบาหรือว่าพระปิทุบาร่ไม่มีฝาบาเลยนะ ลมแรงพัดฝุ่นทุรีให้ไปตกลงในบาดด้วยก็มีรู้จะล้างยังไงคนรับประเคนใหม่ก็ไม่มีก็เลยไปรับทิษาเมื่อรับึิษาก็ตั้งใจว่าจะให้แกอนุสําบันต้องมีจิตบริสุทธิ์แล้วก็รับว่าจะให้แกอนุสัมบันฑอันนี้ก็รับไปไมิตรไรเมื่อเอาไปแล้วก็ไปให้อนุสัมบันฑแล้วถ้านุสัมบันฑ์ฉลาดถวายคืนมาก็ฉันได้แต่ถ้าเกิดมันหิวมาก แล้วก็ไปขออาหารสำเนินที่เหลือของสำเนนมีไหมแต่ก่องสำเนินไม่มีเอาที่ของตัวเองบิณฑบาตมาถวายนี่ก็ถ้ามีจิตบริสุทธิ์ก็ฉันได้เที่ยวไปบิณฑบาตอย่างนั้นแล้วกลับไปยังวิหารหรือว่าอาสนสถานาให้พิกษานั้นแก่อนุปสมบัตแล้วจะรับเอาพิกษาที่อนุปสมบัต น, นั้นถวายใหม่หรือจะถือเอาของอนุปสมบัต น, นั้นด้วยวิสาสะฉันก็ได้เหมือนกันก็ควร ถ้าพิจุให้บาตรที่มีทุลีแก่พิกจุในเวลาเที่ยวพิคขาจานพึงบอกภิจุเจ้าของบาตรนั้นว่าท่านรับประเคียนบาตรนี้แล้วพึงรับพิจาหรือพึงฉันก่อนจะฉันนี่หรือว่าก่อนรับพิจาให้ประเคียนบาตรใหม่ถ้ารู้ว่าบาตรนั้นมีฝนทุลีทิกสูตเจ้าของบาตรนั้นพึงทำอย่างนั้นถ้าทุลีลอยอยู่ข้างบนพึงรินน้ำข้าวออกแล้วฉันส่วนที่เหลือเถอด ถ้าไม่มีคนประเคียนใหม่แต่ว่าเป็นข้าวต้มแล้วก็มีน้ำทุลีก็ลอยอยู่บนน้ำนั้นก็ลินออกแล้วก็ฉันได้ถ้าทุลีจมแทรกลงข้างในพึงรับประเคียนใหม่เมื่อไม่มีอนุสัมบัญ่าปล่อยบาทจากมือเลยพึงนำไปในที่ซึ่งมีอนุสัมบัญญแล้วรับประเคียนใหม่เวลาที่ผงฝุ่นต่างตกลงในบาด น, นะยาปล่อยบาให้ถือไปแล้วก็ไปให สำเน็จหว่าให้อนุสัมบัญญประเคียนใหม่จะนําทุลีที่ตกลงในข้าวแห้งออกแล้วฉันก็ควรถ้าเกิดเห็นเป็นใบไม้เล็กๆหรือว่าเป็นฝุ่นเป็นกรวดอะไรที่มันกระเด็นลงมาแล้วก็เห็นได้ถ้าเป็นข้าวแห้งนําออกได้ก็ไม่เป็นไรประชันได้ไม่ต้องประเคียนแต่ถ้าเป็นทุลีละเอียดมากพึงเอาออกพร้อมกับข้าวสวยส่วนข้างบนหรือพึงรับประเคียนใหม่แล้วก็ฉันเถอด เมื่อชาวบ้านวางข้าวยาคูหรือว่าแกงไว้ข้างหน้าแล้วคนหยดแกงกระเซ็นขึ้นจากภาชนะตกลงในบาปทีกสุพึงรับประเคียนบาปใหม่อันนี้ก็หมายถึงว่าเขากําลังจะเอาอาหารนั้นมาจะถวายแต่ว่าเขาก็คนแกงหรือว่าข้าวยาคูนั้นมันก็กระเด็นไปตกในบาปอันนี้ต้องรับประเคียนใหม่แต่ถ้าอยู่ในหัตถบาทแล้วแล้วเขาก็จะตัด ข้าวยาคูหรือข้าต้มถวายยังไม่ทันถึงบาทเลยน้ำข้าวยาคูหรือว่าวน้ำแกงนั้นตกลงไปในบาทอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ในฮ า, าตะบาทแล้วที่สุภตั้งใจในการรับประเค้นด้วยเมื่อพวกเขาเอากระบวยตักมาถวายยาสูบปากเป็นต้นหยดออกจากกระบวยตกลงไปในบาทก่อนเป็นอันตกลงไปด้วยดีไม่มีโทษเพราะว่าเขาน้อมเข้ามาถวายแล้วถ้าแม้เมื่อ เขาเอาถ้วยเล็กเกลี่ยข้าสุกลงอยู่ขเมาหรือเท้าตกลงไปจากถ้วยเล็กก็ไม่มีโทษเหมือนกันเพราะว่าเขาน้อมถวายของที่เขากำลังถวายแก่พิกจุรูปถัดไปกระเด็นออกจากบาตรไปตกในบาตรของพิกจุอีกรูปหนึ่งเป็นอันตกไปด้วยดีของนั้นจัดว่ารับตะเคียนแล้วเหมือนกันกำลังไปถวายพิจุรูปหนึ่งจะเป็นผลไม้เด็ดไปเด็ดมามันก็เลยกระเด็น ตกไปใส่ในบาตรของพิสุอีกรูปหนึ่งก็เป็นอันรับเคแล้วถ้าเมื่อเขาจัดผักปลังหรือว่าผักไห่ดองเนี่ยเป็นต้นถวายแก่พิกสุรูปหนึ่งหยดน้าของผักดองจากผักดองตกลงไปในบาตรของพิสุอื่นเธอพึงรับประเคนบาตรใหม่นี่ก็เป็นน้าผักไปกระเด็นลงในบาตรของผู้อื่นให้ประเคนใหม่ พวกเขากําลังแบ่งผักดองข้างบนบาดของพิสูตรใดเมื่อหยดน้ําผักดองตกลงในบาดของพิสูจนั้นไม่มีโทษเพราะว่าเขาน้อมเข้ามาด้วยความเป็นผู้ประสงค์จะถวายพวกชาวบ้านถวายบาดเต็มด้วยข้าปา่าญาตพิสูจนิอาจจับข้างล่างได้เพราะว่ามันร้อนจะจับแม้ที่ขอบปากก็ควรเหมือนกันถ้าแม้อย่างนั้นก็ไม่อาจจับได้พึงรับด้วยเชิงรองบาด พิสุผู้นั่งถือบาทหลับอยู่ที่หอฉันเธอไม่รู้ว่าเขากําลังนําโพชนะมาเลยเขาถวายอยู่ก็ไม่รู้โพชนะจัดว่ายังไม่ได้รับประเคนพิสุก็เปน็นั่งรอนั่งรอนานแล้วก็เลยนั่งสมาธิหลับไปเขามาถึงเขาก็ใส่เลยก็ไม่ได้เรียกพระพิสุไม่อยากจะรบกวนเห็นหลับตาอยู่พระพิสุก็หลับจริงๆอันนี้โพชนะนั้นก็ชื่อว่ายังไม่ได้รับประเคน แต่ถ้าเธอเป็นผู้ที่นั่งใส่ใจไว้ตั้งแต่ต้นควรอยู่ก็คือตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเขามาแล้วก็ถวายเราก็นั่งอยู่ยนี้แหละเรานั่งสมาธิพอนานแล้วเกิดมันหลับไปแต่ว่าตั้งใจว่าถ้าเขามาประเคนถ้าจับบาตรหยุดนี่ก็เป็นการสมควรถ้าแม้เธอวางมือจากเชิงบาตรแล้วเอาเท้าหนีบแล้วก็ม่หลับไปก็สมควรเหมือนกันนะเอาเท้าแตะเอาไว้นี่นะ เดี๋ยวก็จะมาถวายแล้วก็ภาวนานแล้วยังไม่มาก็เอาเท้าแตกไว้แล้วก็ม้อยหลับไปกขามาถวายก็จะได้อยู่แต่ว่ามีความตั้งใจในการรับประเค้นแต่เมื่อเธอเอาเท้าเหยียบเชิงบาดไว้รับประเค้นถึงจะตื่นอยู่ก็เป็นการรับประเค้นโดยไม่เอื้อเฟื้อเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทําเพราะว่าจะมีติกขาบทข้อนึงในเสขียวัดว่าพึงรับอาหารบิณฑบาตโดยเอื้อเฟื้อเพราะฉะนั้นนี่ เอาเท้าไปแตะเชิงบาดเอาไว้นี่ก็ไม่เอื้อเฟื้อจึงไม่ควรทาอาจารย์บางพวกกล่าวว่าการรับประเคนไว้เชิงรองบาดอย่างนี้ชื่อว่าการรับประเคน้วยของที่เนื่องกับของที่เนื่องด้วยกายเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรคำนั้นเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นแต่โดยอัตทั้งหมดนั่นก็เป็นของเนื่องด้วยกายเช่นนั้นและแม้ในกายยากสังสักข้าศิกษาบทก็คือการจับต้องกายหญิง ก็ได้แสดงในนี้ไว้แล้วถึงจะหยิบแม้ของตกที่เขากําลังถวายแก่พิสุขึ้นมาฉันเองก็ควรในการหยิบเอาของตกฉันนั้นมีพระสูตรเป็นเครื่องตาธทกดำต่อไปนี้ดูก่อนพิสุททั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุขหยิบเอาของตกที่เขากําลังถวายฉันเองได้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเพราะของนั้นพวกทายกเขาสละถวายแล้ว ก็แลพระสูตรนี้มีอาถาอธิบายที่ควรอธิบายอย่างนี้รั้นในพระสูตรนี้พึงทราบอธิบายอย่างนี้ว่าของใดที่เขากำลังถวายพลัดหลุดจากมือของผู้ถวายตกลงไปบนพื้นดินที่สะอาดหรือบนใบบัวหรือบนผ้าและเสื่อลําแพนเป็นต้นของนั้นจะหยิบขึ้นมาฉันเองก็ควรนี่หมายถึงที่สุผู้ที่เขากาลังจะประเคนของให้และของนั้นตกที่สุด ตู้นั้นก็หยิบของนั้นขึ้นมาฉันได้เพราะว่าของนั้นเนี่ยเขาถวายแล้วนะพวระพุทธเจ้าต้นานุญาตด้วยแต่ของใดตกลงไปบนพื้นที่มีฝุ่นละอองของนั้นพึงเช็ดหรือล้างฝุ่นละอองออกแล้วหรือรับประเค้นแล้วฉันเถิดถ้าไปโดนฝุ่นโดนอะไก็ให้เปล้างแล้วก็ฉันได้หรือว่าไม่อย่างนั้นก็ให้รับประเค้นใหม่ถ้าของนั้นกลิ้งไปยังสํานักของพิ่ตุกอื่น แม้พิสุเจ้าของของนั้นจะให้นำคืนมาก็ควรก็คือ้ามพิสูุอื่นเก็บได้ก็บอกเอาคืนม า, าพิสุที่กำลังจะรับประเคนแต่ว่ายังไม่ได้ตกอยูในบาทก็เอามาฉันได้เลยถ้าเธอกล่าวกับพิสูตนั้นว่านิมนต์ท่านนั่นแหละฉันเถิดแม้พิสูุนั้นจะฉันก็ควรพิสุอื่นที่ไม่ใช่เป็นคนที่กำลังจะรับประเคนก็ฉันได้ถ้าพิสูตเจ้าของที่กาลังจะรับประเคนนั้น่ะ อนุญาตแทนพิจูดนั้นอันพิจูดเจ้าของสิ่งของไม่ได้ตั้งไม่ควรรับก็คือไม่ควรที่จะเอาเปฉันในกุรุนีกล่าวว่าแม้จะไม่ได้รับคําสั่งจะรับด้วยตั้งใจว่าจะถวายพิจูดเจ้าของสิ่งของนั้นก็คือจะหยิบจะจับไปถวายเนี่ยอันนี้ก็ควรเหมือนกันถามว่าก็เพราะเหตุไรของนั่นจึงไม่ควรที่พิจูุนอกนี้จะรับแต่ว่า ไม่ควรจะจับแก้ว่าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีได้ทรงอนุญาตไว้จึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่าเราอนุญาตให้พิจุหยิบของฉันเองได้ดังนี้ก็ทรงอนุญาตแต่พิจุผู้ซึ่งเขากำลังถวายของที่พลัดตกไปนั้นเท่านั้นให้หยิบเอาของนั้นแม้ไม่ได้รับประเคนฉันได้แต่ด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนพิจุทั้งหลาย เพราะของนั้นพวกทายกสละให้แล้วจึงเป็นอันทรงแสดงความไม่เป็นของคนอื่นในพระดำบดัชนี้เพราะฉะนั้นพิสูุอื่นหยิบฉันเองจึงไม่ควรแต่สมควรเพราะการสั่งของพิสษจผู้เป็นเจ้าของแห่งสิ่งของนั้นในว่านี้เป็นอธิบายในคำว่าอนุชานามิทิคเวเป็นต้นนี้ถ้าพิสษุผู้ที่กำลังจะรับประเคนนั้นไม่ได้สั่งกับพิสูุอื่นไม่ควรจะหยิบ ก็เพราะเหตุที่ของที่พลัดตกนั้นทรงอนุญาตไว้เพราะว่าเป็นของยังไม่ได้รับประเพณฉะนั้นทิกษุไม่จับต้องของตามที่ตั้งอยู่นั้นแหละเอาของบางอย่างปิดไว้แล้วฉันแม้ในวันรุ่งขึ้นก็ควรไม่เป็นอาบัตเพราะสันนิธิเป็นปัจจัยอันนี้ก็เป็นพิเศษของนั้นตกไว้ย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าตกไว้ในที่เหมาะสมก็เอาวัตถุเอาฟารมีมาปิด วันรุ่งขึ้นก็เอามาฉันได้แต่ควรรับประเคีนก่อนแล้วจึงฉันวันรุ่งขึ้นก็ให้รับประเคีนแล้วค่อยฉันเจิงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการหยิบฉันเองแก่พิษตุนั้นเฉพาะในวันนั้นนอกจากวันนั้นไปไม่ทรงอนุญาตและยินว่าอัดแม้นี้ก็เป็นอธิบายในพระดารัสว่าอนุชานามิพิขเวเป็นต้นตอันนี้เป็นการแสดงรายละเอียด เพราะว่าอาจจะเป็นไปได้คือของชดมูลเนี่ยนะเวลาที่มีการชดมูลกันก็ํามัดถวายวัตถุอาหารผลไม้เนี่ยเอาง่ายๆก็คือผลไม้จะใส่ลงบาตรแต่ว่ามันพลัดตกลงไปก่อนของนั่นก็ชื่อว่าเป็นอันผ้าถวายแล้วพระวิษุที่กําลังจะรับบาตรันก็หยิบฉันได้เลยหรือว่าจะเอาของอะไรปิดเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาให้คนประเคนฉันก็ได้ไม่เป็นสันนิธิ บัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวในอัพัวหารฤกในต่อไปอภัวหาริกไก น, นะในที่ไม่ถึงความเป็นอับัตไม่ถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นอับัตอัพัวหาฤกก็มาจากคําว่าอะกับโวหารโวหานะครับอีกะก็เป็นอัภโพหาริกะมาจากคําว่าณณก็เปลี่ยนเป็นอะก็คือไม่ถึงการกล่าวอ้างวหาเก็มถึงการกล่าวหางก็เป็นออบัอันนี้ก็ไม่เป็นอบัต จึงอยู่เมื่อพิกษุทั้งหลายฉันอยู่ฟันทั้งหลายย่อมสึกหลอเล็บทั้งหลายย่อมสึกกร่อนสีผิวของบานย่อมถลอกหรือว่าลอกทั้งหมดนั้นเป็นอภูริคไม่เป็นอวบเมื่อพิกษุ ป, ปอกอ้อยเป็นต้นด้วยมีดสนิมย่อมปรากฏสนิมนั้นธรรมดาเป็นของเกิดขึ้นใหม่ควรรับประเคนก่อนจึงฉันก็คือถ้ามีสนิมที่มีดเอาไปปอกอ้อยมันเปลอะที่อ้อยต้องรับประเคนใหม่ เมื่อพิสุจล้างมีดแล้วจึงปอสนิมไม่ปรากฏมีแต่สักว่ากลิ่นโลหะเพียงกลิ่นโลหะนั้นเป็นอภูหาริกเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่ล้างบาศแล้วมีกลิ่นของอาหารปรากฏอยู่ในบาทแต่ว่าไม่มีเศษอาหารอะไรเลยไม่มีเศษอาหารไม่มีมันอะไรใน น, นัแต่ว่ามีกลิ่นเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอภูหาริกถึงแม้ในจาพวกของที่ผ่าด้วยมีดเล็ก ที่พวกพิกษุเก็บรักษาไว้ก็ในนี้นั่นแหลจริงอยู่พิกษุทั้งหลายจะเก็บมีดนั้นไว้เพื่อต้องการไว้ฉันก็หามีได้แลเมื่อพิกษุทั้งหลายบดหรือตำอยู่ซึ่งเครื่องยามีรากยาเป็นต้นตัวหินบดลูกหินบดครกและสาเป็นต้นย่อมสึกไปพิสูจนทั้งหลายจะเผามีที่เก็บรักษาไว้แล้วใส่ลงในเปลียงหรือนมสดเพื่อประโยชน์เป็นยา สีเขียวย่อมปรากฏในเปลียงหรือว่านมสดนั้นมีวุ้ในิชัยเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในมีดเล็กนั่นแหละก็คือพวกที่เป็นหินบทครกศากอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสึกไปแล้วก็ผสมอยู่ในยานั่นแหละอันนี้ก็เป็นอภูมาริคเหมือนกันส่วนในเปลียงดิดเป็นต้นไม่ควรจุ่มมีดที่เก็บไว้ลงไปด้วยตนเองก็คือเอามีดไปเผาแล้วมาจุม่มมันจะุกอันนี้ไม่ควร แต่ถ้าเป็นเปลี่ยนสุกแล้วไม่เป็นไรหากว่าภิกษุจุมลงไปย่อมไม่พ้นจากสามะปะกด ก, ก็คือทำให้สุกเองเมื่อภิกษุเที่ยวบินบาตในเมื่อฝนตกน้าสกปรกหยดจัดตัวหรือจาาจีวอลงในบาทพึงรับประเคนบาทนั้นใหม่แม้ในหยดน้ำที่ตกลงเมื่อภิกษุ ก, กำลังฉันอยู่ที่โคนต้นไม้เป็นต้นก็มีในนี้เหมือนกันคือต้องประเคียนใหม่แม้ก็ต้ง น้ำฝนตกลงมาจากต้นไม้จากชีวรหรือว่าจากตัวเองก็ถ้าว่าเมื่อฝนตกตลอดเจ็ดวันเป็นน้ําบริสุทธิ์หรือน้ําฝนที่ตกกลางแจ้งควรอยู่ถ้าเกิดเป็นน้ําฝนที่ตกลงในบาตแต่ว่าเป็นน้ําฝนที่บริสุทธิ์หรือตกแล้วเจ็ดวันก็ไม่มีฝุ่ละอองอะไรหรอกอันนี้ก็ไม่ต้องรับประเขียนใหม่เพราะว่าน้ํานี่ไม่ต้องรับประเขียนฉันได้เลย พิสุเมื่อจะให้เข้าวสุขแก่สามเณรพึงให้อย่าถูกต้องเข้าสุขที่อยู่ในบาตของสามเณรนั้นเลยเพราะข้าสุกของสามเณรนั้นถ้ายังไม่ได้มาประเคนเราก่อนนี้ก็เป็นของที่ยังไม่ได้รับประเคนเปิอมือของเราไปถ้าเราไปฉันหรือว่าอไปโดนเข้าสุขของเรานั้นก็กลายเป็นของที่ยังไม่ได้รับประเคนไปเหมือนกันหรือว่าพึงรับประเคนบาตของสามเณรนั้นเมื่อพิกสุถูกต้องเข้าวสุขในบาตที่ไม่ได้รับประเคน แล้วจับข้าสุกในบาตรของตนอีกข้าสุกก็เป็นอุกหิตเข้าวสุกก็จะกลายเป็นอุกหิตไปเพราะว่าเข้าสุก ข, ของสำเนียยังไม่ได้รับประเคนไปจับต้องเมื่อจับต้องแล้วถ้าเกิดไม่ได้เอามาฉันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอามาโดนเข้าสุก ข, ของเราที่เราจะฉันนี่สินั่นข้าสุกของเราที่เราจะฉันก็เลยกลายเป็นของยังไม่ได้รับประเคนไปด้วยแล้วไปจับต้องก็เป็นอุกหิทแต่ถ้าว่าพิจุเป็นผู้มีความประสงค์จะให กล่าวว่าแน่สามเณรเธอจงนำบาตรมาจงรับเอาข้าวสุกดังนี้แต่สามเณรนั้นห้ามว่ากระผมพอแล้วและแม้เมื่อพิกษุกล่าวอีกว่าข้าวสุกนั่นเราสละให้แก่เธอแล้วสามเณรยังกล่าวว่ากระผมไม่ต้องการข้าวสุกนั่นดังนี้ถึงจัดสนักตั้งร้อยครั้งก็ตามทีตลอดเวลาที่ข้าวสุกยังอยู่ในมือของตนจัดว่าเป็นของรับประเคนแล้วแลน ถ้าข้าวสุกยังอยู่ในมือของตนนั้นยังจับบาศอยู่ <S <S <S บอกว่<บ> า, าสเํเนียาเอาไปเราไม่เอาแล้วอันนี้ก็เป็นของประเกลียแล้วแต่ถ้าว่าข้าสุกตั้งอยู่บนเชิงรองบาศอันนี้ไม่ได้อยู่ในมือของพิจูพิจูไม่มีความเสียดายกล่าวว่าเคยจงรับเอาไปแต่ถ้าเกิดอยากจะฉันใหม่นี้ต้องรับประเกลใหม่เพราะว่าสละแล้วถ้าไม่ได้อยู่ในมือถ้าพิจูยังมีความเสียดายอยู่วางบาศไว้บนเชิงรองบาศ แล้วกล่าวกับสามเณรว่าเธอจงรับเอาขนมหรือข้าวสวยจากบาทนี้ดังนี้สามเณรล้างมือแล้วถ้าแม้ว่าถือเอาไปตั้งร้อยครั้งไม่ถูกต้องของที่อยู่ในบาทของตนเลยใส่ลงในบาทของตนเองไม่มีกิจที่ต้องรับประเทนใหม่แม้อยู่นอกคาตบาทไม่ได้จับเอาไว้อยู่บนเชิงรองบาทบาทที่ใส่ขนมใส่อาหารคพิสุจ์ยังมีความอะไร ยังเสียดายอยู่แม้ว่าบอกให้สามเณรมาหยิบเอาไปสามเณรก็ล้างมือมือไม่เปื้อนเนี่ยสามเณรหยิบไปร้อยครั้งก็เวลาจะฉันของที่เหลือก็ไม่ต้องประเคนใหม่หรอกแต่ถ้าสามเณรนั้นถูกต้องของที่อยู่ในบาทของตนแล้วหยิบเอาออกจากบาทนั้นของนั้นย่อมประควนกับของขอ ง, ของสามเณรถึงรับประเคีนใหม่ เพราะว่าสัมเนยหยิบในบาตรของพิสูแล้วก็ไปใส่ลงในบาตรของสัมเนยซึ่งมีอาหารมีของอื่นอยู่แล้วก็เปลือกเปื่อนแล้วก็มาหยิบในบาตรของพิกสุอีกของก็ระคนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่พระภิกสูจะฉันก็ต้องรับประเขนใหม่แต่เกจิอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าถ้าแม้ว่าของที่สัมเนยหยิบเอาอยู่ขาดตกลงในบาตรนั้นเพิ่งรับประเขีนใหม่อันนี้ก็เป็นวาทาของเกจิอาจารย์ซึ่งพระภิสูตระเขียนก็ควรจะประเขียนใหม่ ขณะนี้สามเณรหยิบเอาของพระพิจ์แล้วมันก็ขาดตกลงไปในบาตรของพระพิจูอันถ้าตกลงในบาตถ้ากังเกียจก็ขับปเขียนใหม่คํานั้นบัณฑิตพึงทราบในก้อนข้าวสุกเป็นต้นที่พิกุจล่รราวจากัดไว้อย่างนี้ว่าเธอจงหยิบเอาก้อนข้าวก้อนหนึ่งจงหยิบขนมชิ้นหนึ่งจงหยิบเอาส่วนเท่านี้แห่งก้อนน้ําอ้อยนี้ส่วนในคํานี้ว่าเธอจงหยิบเอาขนมหรือว่าข้าวสวยจากบาตนี้ไม่มีการจํากัด เพราะฉะนั้นของที่ตกลงในบาตรของสามเณรเท่านั้นจึงจะขาดประเทนส่วนข้าวสวยที่อยู่ในมือของสามเณรยังเป็นของพิสุนั่นเองตลอดเวลาที่สามเณรยังไม่บอกงดหรือพิสุยังไม่ห้ามว่าพอละเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ขาดประเทนแม้กระทั่งหยิบของพิสุไปแล้วเนี่ยอยู่ในมือของสามเณร น, นี่ก็ยังเป็นของพระพิสุอยู่นะภิสุสามารถที่จะบอกให้ ใส่ลงบเดบาตอย่างเดิมได้แล้วก็ไม่ต้องประเค้ด้วยภาชันได้ภิกตุใส่ข้าวสวยลงในภาชนะสําหรับต้มข้าวต้มของตนหรือของภิกตุทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ภิกตุสำเนนบางพวกพึงกล่าวว่าแน่สำเนนเธอจงวางมือไว้บนภาชนะแล้ววางลงที่มือของสมำเนนนั้นของที่ตกลงในภาชนะจากมือของสำเนนนั้น ย่อมไม่ทำให้ภาชนะเป็นอกติยะในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าข้าสุขนั้นพิษุสละแล้วถ้าว่าพิกษุทำอย่างนั้นตักลงไปพึงทำภาชนะ้ปราดจากอมิสเหมือนบาแล้วก็ฉันเถิดอันนี้ก็เป็นความละเอียดของพระวินยัยซึ่งจะต้องมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรู้ว่าของนั้นขาดประเค้นหรือว่ายัางไม่ขาดประเคนวันนี้ก็มดเลาเอาไว้ต่อในวันรุ่งขึ้นคอยต้นทั้งหลายเป็นผู้ที่ เอื่อเฟื้อเป็นผู้ที่รักเป็นผู้ที่เคารพในพระธรรมวิ น, นัยแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมะเพื่อความพ้นจากทุกข์โดยทั่วกันเทิอนสาธุสาธุสาธุ